พระธรรมตามพระไตรปิฎกครั้งที่หนึ่งร้อยสิบสามคนทั้งหลายจะถมของสะอาดของไม่สะอาดถ่ายมูดถ่ายโคตรอุจจระปัสาวะเป็นต้นลงไปไม่รู้สึกอิดอัดชิงชังเรือร่องอาเม่แต่อย่างเดียวคำว่า ง, งั้นผ้าเช็ดทุลีเนี่ยนะเช็ดได้ทั้งของหอมของสะอาดเช็ดได้หมดเหมือนกันใจของท่านรู้สึกลักษณะนั้นไม่ได้รู้สึกรู้สึกรังเกียจเดียดฉันอะไรใครซากอย่างไม่มีเลย หรือว่าวัวเขาขาดเนี่ยนะไม่มีมานะเป็นวัวที่ฝึกดีแล้วไม่มีมานะไปฉัน้นใดใจของท่านก็จะเป็นในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่บำเพ็ญบารมีเต็มแล้วก็จะเป็นในลักษณะนั้นแต่ก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นก็อาศัยการสมาทานอาศัยการตั้งใจน้อมใจให้เป็นอย่างนั้นนะใจของเราเนี่ยแล้วแต่จะน้อมนะน้อมให้ไปได้ดีขนาดไหนก็ น, น้อมได้ น้อมไปเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็น้อมได้ถ้ามีการอบรมบารมีตามเงืองไขน้อมไปเพื่อเป็นพระปเจกับพรทเจ้าก็น้อมได้น้อมไปเพื่อเป็นพระอรัสาวกก็น้อมได้น้อมไปเพื่อเป็นอสีติมหาสาวกเป็นพระอนุ์เป็นพระโมกคลลานะเป็นพระมหากสราก็น้อมไปได้น้อมไปเป็นพยามารก็ยังได้เอ้างั้นพยามารไม่มีหรอกเพราะเขาน้อมไปนี่แหละเขาจึงได้เป็นพยามาร น้อมไปเพื่อเป็นเท้าสกา ก, ก็ได้น้อมไปเหมือนในหลวงก็ได้ให้เป็นชีวิตแบบในหลวงก็ได้แล้วแต่จะน้อมชีวิตของเราไปเสร็จแล้วเมื่อน้อมไปอย่างนั้นแล้วบำเพ็ญปฏิปทาเพื่อความเป็นอย่างนั้น mm. ก็จะได้เป็นอย่างนั้นอย่างที่ ท, ที่คิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่บำเพ็ญบารมีเนี่ยนะก็ต้องว่ะทำใจให้เป็นเหมือนกับน้ำเนี่ยนะแพ่ความเย็นซาบไปเช่นเดียวกันทั้งในคนดีทั้งในคนชั่ว แม้ท่านเมื่อเป็นผู้มีน้ำใจเป็นอันเดียวกันด้วยเมตตาจิตในสัตว์ทั้งปวงจักเป็นพระพุทธเจ้าได้ดังนี้เขาก็อธิษฐานเมตตาจิตในบารมีข้อที่เก้ากระทำให้มั่นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าความจริงพุทธธรรมเหล่านี้จักไม่มีอยู่เพียงเท่านี้แน่เราจกเลือกเฟ้นธรรมะเหล่าออ่นที่เป็นเครื่องบ่มโพธิาณ คราวนั้นเมื่อเราเลือกเฟ้นอยู่ก็ได้เห็นเมตตาบารมีข้อที่เก้าที่ท่านผู้สแสวงหาคุณใหญ่แต่เก่าก่อนทั้งหลายถือปฏิบัติเป็นประจำกันมาท่านจึงยึดเอาเมตตาบารมีข้อที่เก้านี้กระทำให้มั่นก่อนถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณก็จงเป็นผู้ไม่มีใครเสมอด้วยเมตตาเพราะฉะนั้นในโลกนี้บรรดาคนที่มีเมตตาต้องเมตตาให้มากที่สุดในบรรดาเมตตานะคิดดูนะถ้าทานก็เหมือนกับ ตั้งใจไว้ว่าโอ้เหมือนกับหม้อควอ่ำอ่ะศีลก็จะรักษาเหมือนจามมารีรักษาคนหางใจที่จะออกจากวัตฏะเหมือนใจที่จะออกจากห้องขังที่ทุกขทรมานว่างั้นปัญญาเนี่ยก็ต้องสแสวงหาเหมือนพิกสุ์เที่ยวบินธบัตไม่เลิกไม่ราแล้วก็วิริยะความเพียรก็เหมือนกับราชสีแล้วก็ขันติก็ต้องเหมือนกับเหมือนกับแผ่นดินใช่ไหมเหมือนกับแผ่นดินรับได้ทั้งของสะอาดทั้งของไม่สะอาด แล้วสัจจะก็ต้องเป็นเหมือนกับดาวประกายพฤกโครจรเที่ยงแท้แน่นอนอธิษฐานก็เหมือนกับภูเขาหินอธิษฐานบารมีเหมือนกับภูเขาหินเมตตาเนี่ยเหมือนกับน้ำอ่ะทาใจโอ้โหน้อมใจให้ไปเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะที่แรกก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกแต่น้อมไปฝึกได้นะจิตเนี่ยพอองศ์บอกว่าไม่มีอะไรที่อ บ, บรมดีแล้วฝึกดีแล้วเนี่ยนะที่จะมีอนุภาพมากเท่ากับจิต นั้นจิตที่อบรมดีแล้วฝึกดีแล้วเนี่ยนะสามารถทนจากวัตรทุกได้ย่อมควรแก่การงานทั้งหมดเลยนะถ้ามีการฝึกจริงๆรว่างั้นเพราะฉะนั้นจะต้องกระทำให้มั่นถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณถ้าปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าต้องมั่นในเรื่องนี้นะก็จงเป็นผู้ไม่มีใครเสมอด้วยเมตตาธรรมดานา้าย่อมแผ่ความเย็นไปให้คนดีและคนเลวเสมอกัน ชะล้างมนทินคือทุรีออกได้ฉันใดแม้ท่านก็จงเจริญเมตตาให้สม่ำเสมอไปทั้งที่เป็นคนเกื้อกูลและไม่เกื้อกูลฉันนั้นเธดแม่กระโจนเนี่ยนะต้องเจริญเมตตาจิตให้มันเท่ากันนั่นแหละไม่ต่างกันนักเมตตาคือจิตเนี่ยเท่ากันนะแต่ไม่ใช่แยกคนดีคนชั่วไม่เป็นนะ ไม่โง่ขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวก็ว่ามีเมตตาไอ้โจรก็ไม่รู้ว่าเป็นโจรคนดีก็ไม่รู้ว่าคนดีแม่ก็ไม่รู้ว่าแม่พระพุทธเจ้าก็ไม่รู้พระเทวทัศน์ก็ไม่รู้แยกอะไรไม่ออกสักอย่างเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะเมตตาของท่านอยู่บนพื้นฐานของปัญญาอยู่บนพื้นฐานของความฉลาดมันก็ทําจิตให้สม่ําเสมออย่างนั้นท่านถึงความเป็นเมตตาบารมีแล้วจับบรรลุพระสัมโพธิญาณได้ ในบรรดาคนที่แยกแยะตำหนิคนที่ควรตำหนิข่มคนที่ควรข่มยกคนที่ควรยกไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าแต่พระองค์เป็นผู้ที่มีเมตตาที่สุดด้วยแต่พระองค์เนี่แยกแยะนะพระองค์ก็ตำหนิเหมือนกันถ้าใครทำไม่ดีพระพุทธผิดหลักผิดธรรมเนี่ยนะผิดศีลผิดธรรมพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนโมฆะบุรุษการกระทำของเธอไม่เหมาะไม่สมไม่ควรใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉนัยเธอจริงได้กระทำอย่างนั้นพระองค์ก็ตำหนินะการกระทำของเธอเป็นไปเพื่อความมักมากเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยาก เป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมสายของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมสายไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมสายยิ่งของชุมชนที่เลื่อมสายแล้วพองก็รู้จักตําหนิคนที่ควรตําหนินะหรือบางทีพองก็ตําหนิพระเทวทัตบอกว่าสุนัขจริงจ่อกแก่กๆตัวนั้นยังมีความกตัญญูบ้างพระเทวทัตไม่มีใจที่เป็นกตัญยูเหมือนกับสุนัขจิิงจ่ออันนั้นเลยพองก็รู้รู้แยกแยะคนดีคนชั่วนะ แต่ว่าด้วยจิตของท่านอะนะพระราหุลพระเทวทัตนายขมังธนูโจนองค์คลิมานช้างธนาบานใจท่านรักเท่ากันแต่ก็แยกชมแยกตําหนินะแต่ว่าจิตของท่านไม่แตกต่างกันไม่รู้สึกว่าเป็นปฏิฆานิมิตอุเบขานิมิต อ, อะไรไม่เป็นเอางี้นะถ้าเป็นพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะเห็นต้นมามุ้ยกับต้นมะม่วงเนี่ยก็แยกออกนะเอออันนี้คันนะอันนี้มีผลไม้มีพิษแต่ไม่ได้รู้สึกโห้โหเห็นต้นมามุวยที่ไหนต้องไปฆ่ามัน รู้สึกชิงชังเกลียดแต่ก็แยกออกว่าอะไรเป็นอะไรฉั้นคนที่เจริญเมตตาก็ต้องเป็นลักษณะนั้นทีนี้ต่อมาเมื่อเขาใคร่ครวญแม้ยิ่งขึ้นไปอีกด้วยคิดว่าธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าไม่พึงมีเพียงเท่านี้เลยจึงได้เห็นอุเบกขาบารมีข้อที่สิบก็เลยได้คิดอย่างนี้ว่าดูก่อนสมเอ็ดบัณฑิตนับจาเดิมแต่นี้ไป ท่านพึงบำเพ็ญอุเบกขาบารมีพึงวางใจเป็นกลางในสุขก็ดีในทุกก็ดีเหมือนอย่างว่าธรรมดาแผ่นดินเมื่อคนทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างย่อมวางใจเป็นกลางทีเดียวฉันใดแม้ท่านก็ฉันนั้นเมื่อวางใจเป็นกลางได้ในสุขและทุกข์ก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าวางใจให้เป็นกลางเหมือนกับแผ่นดินเนี่ยนะ เขาได้อธิษฐานอุเบกขาบารมีข้อที่สิบทำให้มั่นแล้วเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าความจริงพุทธธรรมนี้จะไม่มีอยู่เพียงเท่านี้แน่เขาเลือกเฟ้นธรรมะเหล่าอื่นที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาคราวนั้นเมื่อเลือกเฟ้นอยู่ได้เห็นอุเบกขาบารมีข้อที่สิบที่ท่านผู้สแสวงหาคุณใหญ่แต่เก่าก่อนทั้งหลายถือปฏิบัติเป็นประจำสืบกันมาท่านจงยึดอุเบกขาบารมี ข้อที่สิบนี้ก็ททำให้มั่นท่านเป็นผู้มั่นคงดุจตราชูมั่นคงเหมือนกับตราชูางั้นจักบรรลุพระสัมโพธิยานธรรมดาแผ่นดินย่อมวางเฉยต่อของที่สะอาดและไม่สะอาดซึ่งเขาทิ้งลงไปเว้นจากความโกรธและความยินดีต่อสิ่งทั้งสองนั้นฉันใดแม้ท่านก็ฉันนั้นควรเป็นประดุจตราชูในสุขและทุกข ในการทุกเมื่อถึงความเป็นอุเบขาบารมีแล้วจักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้ทำใจให้เหมือนกับตราชูทำใจให้เหมือนกับแผ่นดินว่างนันเถอะไม่ได้ชิงชังเขาบอกว่าในบารมีทั้งสิบอย่างเนี่ยนะอุเบขาบารมีนั้นมีความสำคัญมากอุเบขาบารมีก็คือตัตระมัชตาตาคือบำเพ็ญบารมีทั้งเ้าข้อมาเสร็จแล้วนะวางใจได้หมดเลย ไม่รู้สึกว่าฟูขึ้นฟุบลงอะไรไม่มีสักอย่างว่างั้นวางใจได้ไม่ใช่หวัวพรวดพลาดขึ้นมาบําเพ็ญอุเบกขาบารมีเลยนะทานก็ไม่เคยให้ศีลก็ไม่เอาเมฆคำมะก็ไม่มีอะไรสักดังเลยพรวดมาหาอุเบกขาเลยจะทําให้มันเป็นอย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นอุเบกขาบารมีเมื่อบําเพ็ญบารมีทั้งเ้าข้อเปี่ยมแล้วก็วางใจได้วางใจได้เพราะเป็นชื่อของตัตตะมัชตตตา เรียกว่าวางใจเป็นกลางในกุศลธรรมทั้งหลายแล้วก็วางใจได้เมื่อคนอื่นเขาทําร้ายเป็นต้นเนี่ยนะก็วางใจเป็นอุเบกขาได้มีอยู่ชาติหนึ่งนะซึ่งจะได้กล่าวต่อไปข้างหน้าว่าท่านบาเพ็ญอุเบกขาบารมีเนี่ยนะเข้ามาบูชากับมาปัสสาวะรถนะมีความรู้สึกเข้ากันวางใจได้ขนาดนั้นไง อ, อ๋อเมื่อไหรเราจะวางใจได้ขนาดนั้นมันนะ้งเนาะทีก็เดินเฉีย ด, ย, ดยังไม่เลยว่าอะไรสักอย่างอนะไม่พอใจแล้วเนาะห่างกันมาก เขาบอกว่าสัตว์บุรุษกับสัตว์บรุษเนี่ยนะธรรมดาว่าทะเลฝากนี้ก็บฝ้าโน้นว่าไกลกันแล้วั้นนะท้องฟ้ากับแผ่นดินเนี่ยก็ว่าห่างกันแล้วธรรมะของสัตว์บุรุษและอสัตว์บรุษห่างกันยิ่งกว่านั้นอีกของเราเนี่ยโหห่างกับพระผู้มีพระภาคจริงๆเลยเนาะอรหันนี่คำหนึ่งอะไรนะไกลจากคนไม่ดีมั้นถ้าจิตเราไม่ดีเราก็ไกลจากท่านนั่นแหละความไกลในเรื่องอุเบกขานี่นะครับ เราดูซิว่าเราไกลแค่ไหนนะถ้าคนไม่รู้จักมาเนี่ยมาจับบ่าเราเท่านั้นนะได้เรื่องเลยละ่ะไม่ต้องถึงกับบาแล้วเขามาจับตื้อต้องตัวเราโดยที่เขาไม่รู้จักเราเลยนี่นะหรือว่าแค่ปัดๆไม่หน่อยเขาหลีกทางหน่อยขอเดินเท่านั้นอะ่ะผมเชื่อเลยผมเชื่อรับรองได้เลยนะถ้าท่านไม่ตั้งสติไว้ก่อนนะมันต้องวันไหวบ้างไม่มากก็ น, น้อยนะยิ้มไม่ออกแค่นั้นเองนะแม้แต่รถของท่านก็เถอะ เพียงแต่ใครมาเขาเคาะเร่งแค่เนี้ยที่ฝากขาโปรงหน้ากับโปรงหลังแค่เนี้ยตัวที่เขาไม่รู้จักกับเราเลยนะเราก็นั่งในรถเนี่ยเขามาเดินมาผมรับรองได้เลยเขาว่านี่คือความห่างมันห่างอย่างนั้นจริงๆเพราะเรานั้นเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยกิเลสเราห่างจากผู้ที่เขาไม่มีกิเลสเนี่ยเราโอ้โหมันห่างกันมากขนาดนั้นนะ ท, ทั้งที่ไม่ได้เสียอะไรอะไรเลย เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจสมาทานที่จะวางใจอะนะคือไม่ได้ฝึกทำใจไว้ตั้งแต่ต้นคือเมื่อไม่ได้ฝึกวางใจไม่ได้ฝึกทำใจเนี่ยนะก็เลยเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นจิตใจก็ทั้งขึ้นทั้งลงอะนะเขาบอกว่าถูกลูกสอนข้างนอกดอกที่หนึ่งยิงเข้ามาเนี่ยนะก็ยังไม่พอนะเขาทิ่มกายไม่พอเอาเสียบไปเอกให้มันถึงใจเลื่องอ้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นเราเจ็บทั้งกายแล้วก็เจ็บทั้งทั้งใจเลยไปหาใจ พระเรียเจ้าท่านเจ็บแต่กายใจท่านไม่ไม่เจ็บแต่ว่าอย่าลืมว่าพระเรียเจ้าเนี่ยนะแต่เดิมเลยเนี่ยนะท่านเป็นพระเรียเจ้ามาก่อนไหมไม่ได้เป็นแต่ละท่านเนี่ยพื้นฐานก่อนที่ท่านจะมาเป็นพระเรียเจ้าบางคนขอทานนะขอทานมาก่อนนะตอนหลังจึงได้เป็นพระอรหันต์บางคนเนี่ยนะขออภัยนะเป็นโสเภณีมาก่อน บางคนเนี่ยพึ่งไปปล้นมายกหยกตอนหลังยังมาเป็นพระราชน์บางคนเนี่ยโห้ฆ่าคนเป็นว่าเล่นจึงได้เป็นพระรหัน์ตอนหลังได้เป็นพระราชน์แสดงว่าพื้นฐานว่าผู้ใดที่จะตรัสรู้รมเนี่ยไม่ได้แยกแยะเลยว่ามาจากชาติชั้นวรณะใดขอให้เป็นไปตามสิกขาสามของพระศาสดาเมื่อปฏิบัติตามสิกขาสามเนี่ยนะเรียกว่า เข้ามาสู่เบ้าหลอมเสร็จเนี่ยนะทองคำเนี่ยจะมาจากที่ไหนก็ตามถ้ามาเข้าสู่เบ้าปั๊บจะเป็นทองคําที่อย่างดีเลยจะได้เป็นทองคําที่มีคุณภาพจิตของเราพื้นเพเดิมมาอย่างไงก็ช่างเถอะถ้าเข้าสู่เบ้าหลอมคือการฝึกตามคําสอนของพระผู้มีพระภาคเป็นไปกับศิษขาสามัมพันธ์เลยจะเหมือนกันหมดเลยจะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์หมดจดเหมือนกันดังนั้นความบริสุทธิ์ของพระอรหันต์เนี่ยนะ ทุกองเนี่ยบริสุทธิ์เท่ากันไม่มีกิเลสเหมือนกันหมดเห็นนิพพานเหมือนกันบรรลุ น, นิพพานเหมือนกันแต่คุณภาพอาจจะแตกต่างกันแต่ก็เป็นพระอริยเจ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นในโลกนี้ผู้ที่ได้รับการฝึกแล้วประเสริฐไม่หมูมนุษย์เนี่ยผู้ที่ได้รับการฝึกแล้วประเสริฐไม่ได้ประเสริฐเพราะอย่างอื่นเลยและการฝึกนั่นแหละเป็นเหตุแห่งความพ้นจากวัฏฏทุกข์ได้จริงๆถ้ายินดีที่จะฝึกความคิดของเราถามว่าเอาอะไรมาเป็นเครื่องฝึกอ่ะ สิกขาสามนั่นแหละเป็นเครื่องฝึกฝึกจิตให้เป็นไปกับกุศลศีลให้มากฝึกจิตให้เป็นไปกับอธิจิตให้มากฝึกจิตให้เป็นไปกับอธิปัญญาให้มากเข <been. S 1> าบอกว่าสมาธิที่ศีลอบรมดีแล้วเนี่ยนะสมาธิที่อาศัยศีลเนี่ยจะทำให้เป็นสมาธิที่มีผลมากมีอั น, นิสงมากปัญญาที่มีสมาธิเกื้อกูลเนี่ยก็จะเป็นปัญญาที่มีผลมากอม น, นิสงมาก จิตที่มีปัญญาเกื้อกูแล้วจะหลุดพ้นจากอาสวะที่จริงกิเลสเนี่ยพระองค์อุปมาเหมือนกับอะไรรู้ไหมสนิมอะ่ะเหมือนกับสนิมของทองอะ่ะทองเนี่ยนะถ้าหลอมเป็นอย่างดีสนิมทองจะกระเทาะออกหมดกิเลสที่เป็นบาปเป็นอกุศลก็ลักษณะนั้นเนี่ยนะหรือบางทีช่างใช้คาว่าสารอกใช่ไหมวิราคะาสำรอกอกอกก็สามารถที่จะหลุดพ้นได้สามารถที่จะพ้นจากวัตถทุกข์ได้อันถ้าหากว่ามีศรัทธา ชั้นต้นเลยนะก็บอกว่าทุนเดิมเขาบอกมีศรัทธาก่อนถ้ามีศรัทธาในพระรัตนมตายอย่างเดียวเดี๋ยวปัญหาอย่างอื่นสา ม, มารถแก้ได้หมดเลยนะเพราะพระ อ, องค์เนี่ยนะเป็นสัพพันญูปัญหาทุกอย่างเนี่ยพระ อ, องค์แนะนําวิธีแก้ให้หมดแล้วเราเชื่อไหมนะที่จะแก้ตามท่านอ่ะถ้าไม่มีศรัทธาที่จะแก้ตามนะ อ, อยังไงก็แก้ไม่ได้ชีวิตของเราเนี่ยจะรกชัดอย่างนั้นอีกต่อไปไม่มีโอกาสที่จะสางปัญหาชีวิตได้ อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ยพื้นฐานก่อนที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เป็นปุถุชนแต่เป็นปุถุชนที่ฝักใฝ่ในความพ้นจากวัตถุกจนถึงขนาดลงทุนบำเพ็ญบารมีแต่ก็ไม่ได้บำเพ็ญเพื่อหลุดพ้นคนเดียวด้วยคิดจะพาคนอื่นข้ามทั้งหมดด้วยเท่าที่ความสา ม, มาที่จะมีอยู่ว่าจะช่วยขนสัตว์ให้ข้ามได้ขนาดไหน เขาก็เลยทําให้ท่านสมาทานบารมีทั้งสิบประการเนี่ยนะสิบอย่างเนี่ยสมาทานขึ้นแล้วทีนี้พอสมาทานบารมีทั้งสิบอย่างอย่างนี้แล้วจากนั้นเขาจึงคิดว่าพุทธกาลกะระทำทำที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณมีเพียงเท่านี้เท่านั้นมีสิบอย่างเท่านั้นไม่เกินนี้ยกเว้นบารมีสิบเสียธรรมะเหล่าอื่นไม่มีธรรมะอย่างอื่นที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้าไม่มีหรอก บารมีทั้งสิบแม้เหล่านี้แม้ในเบื้องสูงแม้ในอากาศก็ไม่มีข้างบนอากาศเนี่ยนะค้นหาไปเถอะบารมีไม่ได้อยู่ในอากาศส่งจิตตามหาบารมีเพื่อข้างบนนั้นนะไม่มีภายใต้แผ่นดินก็ดีส่งใจลงไปข้างล่างจนถึงอเวจีมองหาบารมีไม่เจอ หรือว่าในทิศทั้งหลายมีทิศตะวันออกเป็นต้นก็ดีก็ไม่มีว่าโหบารมีสงสัยอยู่ทิศตะวันออกเนี่ยนะคิดหาในทิศตะวันออกทิศใต้ทิศเหนือทิศตะวันตกทิศเฉียงเหนือเฉียงใต้เฉียงยออกเฉียงตกเนี่ยทุกเฉียงก็หาบารมีไม่เจอแต่มีตั้งอยู่ภายในหะไถของเรานี้นั่นเองดังนี้บารมีทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ใจเหมือนกันถ้ามีใจเป็นทุนเดิมเสร็จแล้วเนี่ยบําเพ็ญได้หมดเลยขอให้มีใจสักอย่างเดียวนะ ถ้าไปเที่ยวตามหาที่อื่นหาไม่เจอเพราะฉะนั้นบารมีสิบต้องถามหาที่ใจของเรานั่นแหละเมื่อเขาเห็นว่าบารมีเหล่านั้นตั้งอยู่ในหะไทยคืออยู่ในใจแล้วจึงอธิษฐานบารมีแม้ทั้งหมดกระทำให้มั่นสมมาทานมาใจเราต้องเป็นตามนั้นนะน้อมใจไปตามบารมีพี่จาจรนาอยู่แล้วแล้วเล่าเล่าพิจาจรนากลับไปกลับมาได้สิบข้อแล้วมาทบทวนนะ ไม่ใช่โอ้ได้สิบแล้วดีใจรีบไปเลยอย่างทบทวนอย่างดีละเอียดละ อ, อีททวนแล้วแล้วเล่าเล่าพิจารณากลับไปกลับมายืดเอาตอนปลายทวนมาขึ้นถึงตอนต้นก็ไล่มาเลยใช่ไหมจากอุเบกขาเมตตาอธิษฐานสัจจะคันติวิริยะปัญญาเนเขมะศีลแล้วก็ทานไล่จากท้ายไปหาต้นแล้วก็ไล่จากต้นไปหาท้าย ฐานศีลเน่ฆัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาอุเบกขาแล้วก็ยึดเอาตรงกลางให้จบตรงข้างทั้งสองเนี่ยนะสมมุติว่ายึดตรงกลางเลยนะเช่นยกว่าขันติเนี่ยอยู่ตรงกลางก็ไล่ขันติไปหาสัจจะอธิฐานเมตตาอุเบกขาหรือว่ายึดจากขันติวิริยะปัญญาเน่ฆัมมะศีลฐานเนี่ยนะเอากลางไปหาหัวท้ายให้หมดเลย แล้วเอาหัวท้ายเนี่ยมาหาตรงกลางเอาหัวไปหาท้ายเอาท้ายไปหาหัวเอาจากหัวมาหาตรงกลางทั้งสองข้างมาหากลางหมดเลยแล้วเอาจากตรงกลางไปหาหัวหาท้ายเาสลับกันไปสลับกันมาใครควรให้ชำนิชำนานอย่างนั้นเลยเราสิบอย่างยังจายากเลยนะเดี๋ยวจะเห็นว่าพระธรรมเนะี่ยมีพระคุณต่อเรามากเลยนะสอนให้ตึกนะตึกแบบไหนด้วยหน้าไปหลังหลังมาหน้ากลางไปหน้ากลางไปหลังอะไรเนี่ย ท่านเตรียมไม่ให้หมดนะเพียงแต่ว่าเราเราตึกดูเถอะนะเราตึกดูนี่นี่สุขโตนะถ้าสุขโตเนี่นะครับหัวข้อในพุทธคุณนะคําว่าสุขโตเนี่ยเรามาตึกดูพระองค์เสด็จมาอย่างนั้นน่ะก่อนที่จะมาพระองค์ก็ต้องบําเพ็ญบารมีสิทธิ์เนี่ยนะแล้นเราลองไปตึกดูว่าบารมีสิทธิ์นี่นะเป็นยังไงบ้างลองไปตึกดูแล้วก็ลองทวนดูว่าเรามีบ้างไหมถ้าเราคิดว่าเราจุดหมายปลายทางเราต้องบรรลุมรรคผลใช่ไหม ทุกคนใช่ไหมครับตั้งไว้งั้นใช่ไหมครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะอย่างไงที่สุดก็ต้องเอาละแล้วบารมีถามว่าเราต้องสร้างอย่างนี้ไหมต้องสร้างอย่างนี้นะจะมากน้อยแค่ไหนอยู่แต่ระดับว่าเราจะเป็นสาวกระดับไหนเราต้องทำตามนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นนะผมว่าเอาไปตึกก่อนนะไปตึกดูแล้วเราจึงจะรู้ว่าบารมีแต่ละข้อนั้นเนี่ยเรามีหรือไม่เราลึกซึ้งแค่ไหนเราเข้าใจแค่ไหน ทบทวนทั้งหมดเนี่ยนะทั้งที่ว่าไปเมื่อกี้แล้วก็มาแบ่งออกเป็นสามระดับอีกนะทั้งสิบอย่างเนี่ยมาแบ่งออกเป็นสามระดับเขาเรียกว่าบารมีสิบอุปปารมีสิบปรมัทธบารมีสิบมาแบ่งออกเป็นสามระดับยกตัวอย่างนะ้ำทานน้บารมีเนี่ยการบริจาคสิ่งของภายนอกเป็นทานบารมีข้าวของนอกตัวทั้งหมดที่ให้ได้เนี่ยนะเรียกว่าทานบารมีทั้งหมด การบริจาคอวัยวะเป็นทานนอปปารมีสละเลยส่วนใดส่วนหนึ่งให้ได้อันนี้เป็นทานนอปปารมีและการบริจาคชีวิตเป็นทานปารมัตถารมีให้ชีวิตเป็นทานได้ทานยังมาแบ่งออกเป็นสามระดับศีลก็แบ่งออกเป็นสามระดับเนคคัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาก็แบ่งออกเป็นอย่างละสามระดับจึงเป็นบารมีสามสิบที่ตรงข้ามต่างแล้วพิจรารณา วกไปวนมาการพิจรารณาบารมีทั้งหมดเนี่ยวกไปวนมาสลับไปสลับมาโดยที่ไม่มีความสับสนนะเหมือนคนหมุนเครื่องยนต์หีบน้ํามันไปมาและพิจรารณาคลุกเคล้าเข้ากันเหมือนกวนละคนทํายอดภูเขาใหญ่สเสนรุให้เป็นมหาสมุทรในห้องจั ก, กรวาลฉนัต <c oughs> กวนบารมีเนี่ยนะทบทวนกลับไปกลับมาเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าหากว่าเป็น เป็นคนธรรมดาเราเนี่ยนะคนไม่ได้ช้านเนี่ยตึกขนาดนี้บางทีก็ไม่แน่นะฟุ้งเลยอ่ะแต่ของท่านเนี่ยท่านได้สมาบัตแปดอู่แล้วพื้นฐานมันคนที่ได้สมาบัตแปดเนี่ยจิตไม่มีนิวรณ์เลยอ่ะคนที่ตึกอันนี้เนี่ยนะเป็นคนที่จิตไม่มีนิวรณ์เลยไม่มีการมาฉันทะไม่มีโลภโทสะ โ, โมหะอิจฉามานะทิฏฐิริษยามากเจือกั้นหน่อยเดียวไม่มีในความคิดเป็นจิตที่เป็นมหากรุสุลล้วนที่บนพื้นฐานของสมาบัตแปด และบนพื้นฐานของการเจริญพุทธคุณเพราะอย่าลืมว่าเวลาท่านสมาทานบารมีเหล่านี้เนี่ยท่านอิงพระพุทธเจ้าองคกอ์ก่อนตลอดเลยนะพระผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แต่ปางก่อนก็คืออิงพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์ที่ผ่านมาว่าพระพุทธเจ้าในปางก่อนท่านทํามาอย่างนี้เพรา ะ, ะเราก็ต้องทําแบบเนี้สมาทานนั้นท่านเจริญพุทธคุณควบควบูคบ่คกับการสมาทานบารมีสมาทานโดยการเจริญพุทธคุณสลับกันไปเทียบเคียงพระเคล้าแล้วก็สมาทาน ถ, ถ้าหากว่าท่านฟุ้งซ่านไม่ยากหนะ้ท่านเข้าสมาบัติแทบเดียวเนทะ่านั้นเองท่านชนานารมากเพราะในเรื่องฤทธิ์เรื่องฌานสมาบัติในยุคนั้นนะเวรภิกษุที่ได้ฌานเสียแล้วเนี่ยนะนักบวชนอกศาสนาทั้งหมดเขาเลิศที่สุดในโลกเพราะฉนนั้เขาอยู่บนพื้นฐานของของคนที่สงบมากท่านคือสุมเมธบัณฑิตชื่อสุมเมธอะ่ะเัราสุมเมธบัณฑิตเนี่ยนะเขาเป็นถ้าโดยทางโลกเขาจบจบหมดเกลี้ยงเลยทุกวิชาในโลกอะ่ะ ที่เขาเรียนนะตอนหลังเขาก็สละทรัพย์ประมาณแปดสิบโกดเนี่ยออกบวชได้อะบวชเจ็ดวันปฏิบัติธรรมได้ชานอ่ะคิดดูบวชเจ็ดวันได้ชานแล้วหลังจากนั้นอีกมาสมาทานบารมีบนพื้นฐานที่ที่ไม่ใช่คนธรรมดาถ้าไม่ตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นพระอรหันนะถ้าท่านไม่ปรารถนาเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะฟังธรรมไม่เกินสองบรรทัดจะเป็นพระอรหันเลยจะเป็นประเภทอุคติตันยุบุคคนแต่ไม่เอา ประโยชน์อะไรใช่ไหมด้วยคนมีกําลังหรือบุรุษมีกําลังเช่นเราเนี่ยนะที่จะข้ามไปแต่เพียงผู้เดียวท่านก็จะพาเราข้ามด้วยนะแต่เออพอองไปก่อนพระเจ้าข่าข่าพระองค์อ ร, อ, คร อ, คอหน่อยแบบนั้นยังเพียงงานไม่เสร็จเลยพระเจ้าข่าอย่างนี้มัะงพอองไปก่อนกันแล้วการแบบนัน้นโอ้ส่าเออเรือเรายังว่างอยู่มาเถอะข่าพระองค์ยังไม่มีธุระพระเจ้าข่าอย่างี้มั้ของเราเนี่ยเนอะอินทรีย์เราอ่อนจริงๆนะขเขามามามาโอ้ยังยั ง, ยง ไปก่อนเด้อไม่เป็นไรนะได้ศรัทธาท่านก็ยังดีลนะในศรัทธาถึงว่าปฏิบัติตามท่านไม่ได้เอาท่านเป็นสารณะก่อนนะพุทังสารนังคาฉามีว่า ง, งั้นเอาท่านเป็นสารณะเอาท่านเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงเป็นที่ไปในเบื้องหน้าจะปฏิบัติซ้าซาโนปฏิปติใช่ไหมจะขอปฏิบัติตามสติตามกําลังทําได้เท่าไรก็จะทําไปตามนั้นน่ะนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าโลกนี้อะไรยุติธรรมที่สุดรู้ไหม เจตนาทีเกิดในใจเราใน่าจะยุดทธรทำกับเราที่สุดเลยเขาบอกว่าไม่มีกําลังใดเสมอด้วยกําลังแห่งกรรมมันตามแต่คุณภาพของเจตนาที่เราสะสมมาเจตนาเมา ก, ก็จะได้ผลมากเจตนาน้อยก็ผลน้อยบุญบาปอยู่ที่เจตนาอั้นเจตนาเหล่านั้นนี่นนแหละเป็นทายาทของสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ที่เป็นสัตว์เนี่ยจะมีมรดกคือสิ่งนี้เท่านั้น จะเป็นผานเป็นบันดิตเป็นยาจกเป็นวันิพกพเนจรเป็นคนสูงคนต่ำคนดำคนเขาสิ่งที่เขาสะสมติดตัวของเขาไปก็คือเจตนากรรมของเขาเจตนากรรมเหล่านั้นเนี่ยนะใครสามารถบำเพ็ญเจตนากรรมเป็นไปกับทานเป็นไปกับศีลเนคขมะพัญญาวิริยะคันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาเจตนากมเหล่านั้นเป็นบุญที่สะสมเป็นไปเพื่อ อรหัตตะมักอรหัตตะผลก็เป็นไปเพื่อทําที่สุดแห่งวัตทุกข์ได้เพราะฉะนั้นพื้นฐานนะถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่ตั้งเป้าหมายเพื่อแทงตลอดอริยสัจสังสารวัตรเรายาวแน่พอถึงไปเจอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เราก็ไม่ตั้งความปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์อีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งจุดมุ่งหมายเพื่อการแทงตลอดอริยสัจ ต, ตั้งแต่วันนี้ต่อไป ต่อไปพระพุทธเจ้าก็จะสงเคราะหอนุเคราะห์เราอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้านั้นเวลาจะแสดงทำสงเคราะห์สัตว์นั้นนะพระองค์จะตรวจ ด, ดูก่อนว่าใครเคยสะสมบารมีมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนไว้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทุกองค์เหมือนกับทํางานรับช่วงกันพระพุทธเจ้าองค์โน้นสร้างบารมีให้คนบําเพ็ญบารมีในองค์ที่แล้วมาถึงองค์นี้ก็จะบรรลุธรรมคนที่มาบําเพ็ญบารมีในพระพุทธเจ้าองค์นี้องค์ต่อๆไปก็จะได้บรรลุธรรม นั้นท่านก็จะทํางานรับกันเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงไปในลักษณะนั้นน่ะแต่ว่าโหกว่าจะมารับทีละช่วงทีละช่ว ง, งนี่ยากมากนะกว่าจะสอบติดได้เนี่ยคงยากเพราะฉะนั้นท่านพิจารณาบารมีอย่างนี้เนี่ยทั้งสิอยู่ด้วยเดชแห่งธรรมะด้วยเดชแห่งมหากุศลที่เกิดขึ้นอันนั้นเนี่ยนะแผ่นดินใหญ่นี้หนาะได้สองแสนยิ่งด้วยสี่นหุต เป็นราวกับว่ามัดต้นอ้อที่ช้างเหยียบแล้วและเครื่องยนต์หีบอ้อยที่กำลังหีบอยู่ร้องดังลั่นสนั่นน้ำมันไว้สะเทือนเลือนลั่นไปหมดหมุนคว้างไม่ต่างอะไรกับล้อเครื่องปั้นหม้อเหมือนกับโม่หินว่าไงเนี่ยหมุนหมดว่าไงวงล้อเครื่องยนตบีบน้ํามันเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าธรรมะที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณในโลกนี้มีเพียงนี้เท่านั้น ไม่นอกไปจากนี้ยิ่งไปกว่านี้ก็ไม่มีท่านจงตั้งใจมั่นอยู่ในธรรมนั้นอ่องปักใจให้ได้นะในบารมีนั้นอะ่ะเมื่อเราไตรตรองธรรมนั้นเหล่านี้พร้อมทั้งสภาวะกิจและลักษณะอยู่ด้วยเดชแห่งธรรมะแผ่นดินพร้อมโลกธาตุเมื่อหนึ่งสะเทือนแล้วปัตต ภ, ภีก็ไหวร้องลั่นดังเครื่องยนต์หีบอ้อยที่หีบอยู่ เมธนีโดนก็เลือนลั่นประดุดวงล้อเครื่องยนต์บีบน้ำมันฉะนั้นดังนี้เขาบอกว่าเมื่อมหาปัตภพีวันไว้อยู่คนที่อาศัยอยู่ในรัมมะนะครต่างก็มิสามารถทรงตัวยืนอยู่ได้นะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นนะนะใครก็ยืนไม่ได้ปันหนึ่งว่าศาลาหลังใหญ่ที่ถูกลมบ้าหมูโ h มพัดอย่างหนักพากันเป็นลมลม้มลงพาชนะของช่างหม้อมีหม้อน้าเป็นต้นที่กาลังทาอยู่ต่างก็กระทบกัน และการแตกเป็นจุนวิจุนไปมหาชนสะดุ้งกลัวจึงเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาทูลถามว่าเข้าไปถามพระพุทธเจ้าทีปังกรว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพวกข้าพระองค์ไม่ทราบข้อนั้นเป็นอย่างไรว่านี้นาททำให้หมุนหรือว่าบรรดาพูดยักษ์และเทวดาพวกใดพวกหนึ่งทำให้หมุนวนอีกประการหนึ่งมหาชนทั้งหมดนี้ถูกทาให้เดือดร้อนความชั่วหรือความดี จะมีแก่โลกเกิดนิมิตอัศจรรย์ขึ้นอย่างนี้ขึ้นขอพระองค์จงตรัสบอกเหตุนั้นแก่พวกข้าพระองค์เถิดพระศาสดาทรงสดับถ้อยคําของพวกเขาแล้วตรัสว่าพวกท่านอย่าได้กลัวเลยอย่าคิดอะไรเลยภัยจากเหตุนี้ไม่มีแก่พวกท่านวันนี้สุเมศบัณฑิตเราพยากรณ์ให้แล้วว่าที่พระองค์ทักทายไว้นะว่าจากเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามวา่าโคดมในอนาคตบัดนี้เขาไตร่ตรองบารมีทั้งหลายอยู่ เมื่อเขาไตรตรองตรวจตราอยู่เพราะเดชแห่งธรรมะโลกธาตุทั้งสิ้นหมื่นหนึ่งสะเทือนและร้องลั่นไปพร้อมกันทีเดียวดังนี้ข้อความในาารักษาก็เหมือนกัน